ตั้งใจโบราณมีคำพังเผยโทษขึ้นว่าความตั้งใจที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้ดูเหมือนจะเป็นความจริงจะเป็นคำที่ใหม่อยู่เสมอเพราะเหตุใดงานทุกประเภทเมื่อตรงกรันผลสสำเร็จแล้ว มันเสเร็จที่ใจตั้งเมื่อใจตั้งมันมีความเพียรด้วยดีความพยายามด้วยดีน้อมไปในทางดีเพื่อผลงานคือความสำเร็จการภาวนาเป็นงานส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายปฏิบัติศึกเนื่องมาตามล น, นดับ เป็นงานส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานนี้จะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาพินิพพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางนี้พระองค์ได้พิสูจน์เป็นทางหมดจบเป็นนิยานิกระรรมสามารถนำผู้ ด, ดำเนินเดินตามให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสิ้นทุกข์คำว่าทุกข์เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดี เพราะมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนมากน้อยเท่าไรเราก็พยายามเอาสติสติของเราเลือกขึ้นมาสำรวจตรวจดูเราก็จะรู้ได้ว่าทุกมีรสชาติเป็นอย่างไรน่ายินดีเลิกปรารถนาปลื้มใจอย่างไรบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นในตัวของเรา คำว่าเกิดขึ้นในตัวของเรานี้เราพูดโดยธรรมดาที่จิตใจมีอุปทานขันธ์กายนี่เราก็ถือว่าเป็นตัวของเราเสียก่อนถ้าหากว่าเราเห็นอนัตตาชัดแล้วเราก็ไม่เจ้ามาปฏิบัติอง์พรม อย่างนี้หยากแต่ทำส่วนนั้นยังไม่ปรากฏเราก็อย่างไรเราก็ต้องมีอุปทานยึดถือเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราสวดมน่อกี้ท่านก็ยอมให้สมมติว่าตัวของเร า, ายังกโคโม่กายโยกายของเรานี่แหละนั่นเพราะฉะนั้น ที่มีประจำตัวของเราก็หมายถึงทางกายด้วยทางจิตใจด้วยทุกทางกายมีประมาณเท่าใดตามหลักสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ทุกนั้นควรกำหนดรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะรู้ทุก พอทุกเกิดขึ้นและเกิดความรังเกียจไม่ต้องการไม่ปรารถนาเลยสร้างปัญหาคือความอยากให้มันดับไปให้มันหมดไปมันจะดับไปที่ไหนเมื่อขันยังมีอยู่ในตัวของเรารูปขันเมื่อเราพิจารณาแล้วก็เต็มไปด้วยความแก่ชราคล่ำค่าโสโคง ความแก่ความชราเหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการเมื่อแก่ชราเกิดขึ้นแล้วทุกข์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราก็ปรากฏขึ้นมานอกจากนั้นยังเป็นที่เกิดแห่งโรคเป็นบอ่อเกิดแห่งโรค โรคยังเกิดได้ทุกแห่งทุกส่วนของรูปเต็มไปด้วยโรคมีประการต่างๆโรคทางต่างๆก็ยังเกิดขึ้นได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางมือก็ได้ทางเท้าก็ได้ไม่อาไว้ว่าส่วนไหนก็ปรากฏว่าในตำรา ห, หมอรักษาไม่โรคอยู่ทั่วไป ไม้เรากรทราบชัดตามความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องการประโยชน์จากสิ่งที่ทุกๆนี่แหละเราสร้างสติระลึกกำหนดรู้ขึ้นมาให้มันชัดตามความเป็นจริงการรู้ทุกมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ในข้อนี้มีประโยชน์มากทีเดียวทุกไม่ใช่จะรู้ได้ทั่วถึงทั้งหมดทำไมสร้างสติปัญญาเพราะทุกไมีทั้งยากมีทั้งปานกลางไม่ทั้งละเอียดปัญญาที่จะรู้ทั่วถึงทุกท่านว่าปัญญาดวงนั้นเป็นปัญญาอย่างสูงอย่างละเอียด เป็นโลกุตระปัญญาปัญญาอย่างสูงเหนือโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกบางส่วนเราก็เห็นได้ถึงปัญญาของเราธรรมดานี่แหละไม่จำเป็นจะต้องปัญญาอย่างสูงเสมอไปเพราะมันปรากฏขึ้นเมื่อไหร่เราก็ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ ข้อสำคัญเราสร้างสติความระลึกให้ชอบความระลึกชอบเป็นสิ่งที่สำคัญจะได้เกิดความเห็นชอบลึกชอบนั่นลึกหาความจริงลึกตามความจริง เ, เหมือนกันเราสวด กายกตาสติขณะลึกดูกายของเรามีอะไรบ้างเมื่อเราลึกรู้ความเป็นส่วนทุกเป็นส่วนผสมจากสิ่งต่างๆมามันเกิดขึ้นมาเพราะความผัสสะจึงมีเวทนา เพราะฉะนั้นถะาหาก็เราแยกส่วนออกแล้วไม่มีผัสสะแล้วเวทนาก็ต้องดับในการกำหนดพิจารณาให้รู้ทุกตามความเป็นจริงเราสามารถจะแยกทุกข์ให้มันหมดกำลังไปเหมือนก็เราสวดแยกกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อ เมื่อเราแยกไปดูไปสืบลึกให้จิตใจได้รู้ความจริงบ้างจิตใจนี้ทุกหลอกมาหลายภพหลายชาติหลอกว่าเป็นของตนตัวตนของตนหลอกว่าจะมีความสุขหลอกจะมีความสวยงามมีความมั่นคงพยายามตกแต่งทนุบำรุงเกิดความมอม เมาติดของเราเองไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงมีแต่ทางเดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้เท่านั้นได้มีโอกาสที่จะสอดส่องมองดูสภาวะธาตุสภาวะธรรมประจำตัวของเราให้รู้ได้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ยกโทษไม่ใช่ตำหนไม่ใช่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกเท่าไรอะไรเกิดขึ้นแก่จิตใจแน่นอนแล้วเกิดเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ใหจิตใจผู้เห็นมันมีความเบื่อหน่ายคลายความยินดีมีความสงบ มีความหมดจดในใจิตในใจยิ่งเห็นตามความจริงดูทุกส่วนในภายในล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดโดยกลิ่นก็ไม่สะอาดสีก็ไม่สะอาดแล้วก็เป็นของไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นยิ่งเห็นชัดอย่างนี้จิตยอมรับความจริงอย่างนี้แหละจิตจะเบาไม่ น, อน้อย จิตจะพองแท้วไม่นอนแต่เราพยายามสัดส่องมองดูให้ชัดไม่ต้องรู้มากรู้อย่างใดอย่างหนึ่งครั้งนันถึงสภาพความจริงให้จิตแบเบอกในอาการสามสิบสองในสมัยขั้งพุทธกาล อริยาสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนที่ท่านยังไม่เป็นอริยาสาวกยังเป็นพุพ้ชนผทุชนอยู่ไม่ได้สะดับรังศึกษามากเหมือนกับพวกเราสมัยนี้โดยส้ำไปเคยพบในํำนานบางคงไปบางบางคนก็ไปเรียนจากพระครั้งเดียวสนันไปถึงบ้านก็ไปท่องอาการสามสิบสองนี่แหละ เมื่อท่องจำได้ละเอียดแล้วก็พยายามเจริญอาการสามสิบสองภาวนามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังทำยูแต่เฉพาะเ่านีน้ทันใดนั้นไม่นานเท่าไหร่จิตใจเข้าสู่ความสงบมีความสุขเกิดศรัทธา อย่างแรงกล้าเกิดความเพียนเกิดกำลังใจขึ้นมาพิจารณาอาการสามสิบสองเห็นแจ่งชัดตามความเป็นจริงจิตมีความผ่องใสพุดผ่องสะอาดสามารถเื่อถอนอัศมิมณนะความถือตนถือตัวสำคัญหมายเหมือนต่กอจิตเข้าสู่ ความหลุดพ้นเหนือโลกโลกครอบงาจิตไม่ได้จิตมันหลุดออกจากอ น, นี้ไปครอบงมโลกแล้วก็โลกกุระจิตจิตเหนือโลกนั่นส่วนพระสงค์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ บรรพชาอุปสมบทศึกษาท ร, รมวินยอยู่กับอาจารย์แล้วอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผอสมควรแล้วก็กราบลาพระสาสดาไปเจริญสมณธรรมท่านเหล่านั้นก็เจริญอาการสามสิบสองนี่เองตัวเองเจริญอย่างไรก็บอกสอนโยมให้เจริญอย่างนั้น บางครั้งก็โยมได้บรรลุรู้ทางก่อนพระยังไม่รู้ก็มีเพอจะนั้นการบรรลุไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วจะได้บรรลุง่ายกว่าโยมก็ไม่ก็ไม่ใช่อันนี้แล้วแต่บุลวั ส, สนาสติ ป, ปัญญาปารามีแต่ละบุคคลเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลาย อยาผูกขาดว่าเราเป็นโยมอาจจะรู้ไม่ได้บรรลุมันได้อาจจะเข้าใจผิดก็ได้หรือจะสนองตัวว่าเราเป็นพระได้บวชแล้วเราจะรู้ได้โดยไม่ยากจะมีความรู้สูงเสมอไปก็ไม่หนที่สำคัญที่สุดไม่ควรประมาท ใครก็ตามไม่ควรประมาทตัวของเราเองทำอย่างไรเราจะได้ใช้ขันของเรานี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเมื่อก่อนที่มันจะพุพังทำลายไปก่อนที่จะหมดไปเราใช้สติระลึกใช้กายใช้ทุกส่วนให้ได้บำเพ็ญปรเมีการกุศล ตลอดเวลาต้องอาศัยความประรบโดยอุบายแยกคายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราก็มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญกุศลอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนเราระึกนึกลำพึงท ร, รมีสติสารวมอยู่โดยเฉพาะยังจะได้เป็นประโยชน์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าเรามีสติกำกับรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเราได้อยู่ในฌานอยู่ตลอดเวลาเพราะคำว่าฌานก็คือความที่มีสติเพ่งอยู่รู้ตัวความเคลื่อนไหวของตัวเราตลอดเวลาเราทำการงานใดๆที่เป็นสัมมารกรรมันโตคือการงานที่ชอบคำว่าการงานชอบนี่ ก็มีความกว้างเหมือนกันแม้แต่ทำมาหากินทำการงานหาเงินหาทองถ้าเราไม่ทำด้วยการทุจริตแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์มันก็เป็นการงานชอบเป็นมรดกของเราเป็นหนทางของเราไม่ใช่เป็นเครื่องขัดข้องไม่ใช่เป็นหนทางที่ผิด เ, เราได้สร์เสรินจาก สมากรัมโตการงานชอบก็เป็นสมาอจาิวโวที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเราใช้สอยไปในถุกหนทางเลียกชีวิตโดยเฉพาะเจตจำนงทำคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ได้ดำเนินเจริญตามอรยามาิยมรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงในหวางไว้ก็ชื่อว่าเราได้ใช้ตัวของเราให้เกิดประโยชน์อยู่ตลอดเยละ ทีนี้เรามาตรวจสมาวายจากการพูดเราก็มีสติไม่จำเป็นจะต้องพูดในเงนเ่อันเป็นเทศให้เกิดจิตใจหมองหมองเรียกว่ากิเลสหรือเรียกเป็นอกุศล <c oughs> เราพยายามพูดแต่ในทางที่ชอบในความสัตย์ความจริงเพื่อพึก การพูดของเราให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในการอบรมพเพื่อให้บังเกิดสติระลึกชอบตลอดถึงการประโยคพยายามสํารวมกายสํารวมวาจาตลอดถึงจิตใจีนแหละ เราทางหลายชีวิตของเราเชื่วไม่เป็นหมัน เ, เสียกล่าวเราสามารถสั่งสมอบรมความดีในจิตใจของเราอยู่ตลอดตลอดถึงสร้างส ม, มาธ <c oughs> ิเกิดความเห็นชอบอรวบรวมกำลังความเห็นเหล่านั้นสู่ทุาสูขันณภายในของเรามันมีอยู่แล้วสัจะธรรมมันมีอยู่ตลอดเวลา ประกาศตัวของมันเองตลอดเวลาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะมาสอบสองได้ก็มาวิจัยยะธรรมวิทยะเราไม่ได้สอบสองให้รู้ให้เข้าใจอันลึกซึ้งเพื่อจิตจะได้สัมผัสกับความจริงจะได้ยอมรับความจริงจิตนิทากว่ามันเห็นความจริง แล้วมันก็จะถอดถอนความหลงที่เคยหลงมานับโกดเพงกับอสงไขยนับไม่ถวดที่เคยหลงมาแล้วที่เราทั้งหลาย เ, าเวียนว่ายตายเกิดก่อพบก่อชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกนี้ พะองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไม่มีการเกิดของภพของชาติบางครั้งพ่อแม่มาเป็นลูกก็มีมาเป็นพี่เป็นนีมาเป็นน้องก็มีเมื่อที่น้องพี่ลูกหลานมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นบางคนยังระลึกชาติได้ตายจาก มาเพศมาเกิดเป็นน้องก็ะเมยตายจากพ่อแม่มาเกิดในท้องลูกกระเมีมันหมุนเวียนอยู่นี่มันรู้กันไม่ได้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์มองเห็นชัดเหมือนเรามองเห็นในตาธรรมดาเนี่ยพระองค์จึงได้ตรัสสอนไว้ที่ไม่มีที่สิ้นที่สุด เพราะฉะนั้นเราพยายามทุกที่ผ่านมาแล้วก็นับไม่ท้วตเมื่อเราลูกความจริงขอนนีนแหละขอพยายามตั้งใจระลึกสอดส่องดูยตลอดเวลาเราก็จะได้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสงบอย่างมีความเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่มีความสุขแต่เราอาศัย ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเยี่ยงกจัดภัยไม่มีอันตรายวุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่มีธรรมไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรามีพระธรรมคําสอนของพระองค์เป็นที่พึ่งก็ชื่อว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งชื่อว่าเรามีพระสงฆ์เป็นติพึ่งเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงคุณ เหมือนกับวิชาจารณะสัมปะโ น, โนก็เป็นคนของพระพุทธเจ้าวิชาวิชาที่เราทาั้งหลายศึกษาสินสมาธิปัญญาที่เกิดความรู้ความฉลาดเป็นสระที่เพิ่งของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ ว, วเราก็ไม่ไล่จากทำไม่ไม่ไล่จาก่ิพิ่ง เราไม่ถือเพิ่งของเราประจํายู่เป็นหนึ่งนิดดังบรรยายมาสงวนเวลาหยุดเพียงเท่านี้ก่อน